พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2554มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันให้อภัยกัน วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้พานักศึกษานักเรียนพานักเรียนเข้าไปสู่วัดวาศาสนาเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของเด็กหรือว่าของครูผู้นําครูผู้นําก็ควรจะได้รับการอบรมเหมือนกันอบรมศีลธรรมแต่พวกเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้รับการอบรมทางโลก แต่วิชาแต่ละขแขนงพวกเราจะเฉลียวฉลาดทุกขแขนงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหะคือเราโง่สิ่งที่เรารู้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ยิ่งเห็นจริงทุกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันสรุปแล้วคือการเรียนการศึกษาของพวกเราเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนก็เถอะจะระดับโปรกเซอร์ก็เถอะถ้าจะประมวลออกมาพูดให้เป็นกลางและพูดให้เป็นธรรมแล้ว เหมือนกับเป็ดจะบินก็เก่งแต่สู้นกนางแอ่นไม่ได้ถึงจะวิ่งถึงจะเก่งถึงจะวิ่งได้แต่สู้ม้าไม่ได้ม้ามันวิ่งเร็วกว่าถึงจะเดินเดินกับปงเปร์ปงป้ายปงอะเป็ดเดินถึงจะร้องมันก็ไม่เสียงร้องไม่เสียงไม่เพราะเหมือนนกกาว่าว ร้องอะป้ปีเปไปงั้นอ่ะแหบแหะผาผไปสรุปแล้วก็คือการศึกษาและการเรียนรู้ของพวกเราเนี่เหมือนเป็ดได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างอย่างนี้ก็มีแต่บางบางคนก็ไม่รู้เสียเลยแต่ทางนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อพูดไม่ได้ข่มพิชชาอาชีพของพวกเราแต่ว่าให้มองในภาพรวมพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับภาษาวก ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านให้ความ ส, สำคัญชะไหนเพราะพระพุทองค์ไปพักอยู่ที่ริมสระในช่วงใ บ, บไม้ประดูหล่นพระองค์ก็ได้กวาดกรํารไม้ประดูบาดกวาดใบไม้ปดูมากรรมขึ้นมาการรหนึ่งท่านก็ถามภิกษุสงฆ์ทั้งห้าร้อยที่นั่งร้อมรอบอยู่ว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายใบยไม้ประดูลายในกา ม, มือของเราเนี่ กับใบไม้ประดูที่มันหล่นในพื้นแผ่นดินเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ได้ตอบกลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในกรรมมือของพระองค์เนี่ยหน่อยเดียวแต่ที่มันหล่นในแผ่นดินนี่ยมากพระเจ้าค่ะนี่แหละคือความรู้ของเราเนี่ยที่เราได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพเนี่ยเรารู้มากแต่เราไม่นำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ที่เรานำมาสอนนันก็คือวิชาที่จะทำให้จิตใจเป็นพระทีดีสั ม, มาธิฏิแล้วจากนั้นก็ทำให้พวกท่านทั้งหลายเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถึงพระนิพพานแต่ส่วนที่จะทำให้ผูกมัดติดอยู่ในโลกวัะสงสารนั้นเราไม่นำมาสอนเรารู้แต่ไม่นำมาสอนแต่เราสอนแต่เฉพาะวิชาความรู้ที่ พวกท่านจะหนีจากวัตฏสงสารเท่านั้นนี่เพียงใบไม้อยู่ในกำ ม, มือคําว่าใบไม้อยู่ในกำ ม, มือถ้าพวกเราไปค้นดูในพระไตรปิฎกพระธรรม8ปดหมี่พันพระธรรมขันไม่ใช่น้อยเหมือนกันอันนี้พระพุทธองค์ว่าน้อยน่อยเดียวที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นมากกว่านี้นี่แหละอันนี้คือพระพุทธองค์ก็ยังรู้แต่พระองค์ไม่ได้นํามาสอนแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่อยากจะรู้ ก็รู้ได้ได้รู้ได้ในระดับหนึ่งอย่างพวกอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อควรจะ ร, รู้รู้มากกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องวิธีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาในหลักพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอะไรพ่อหลวงพ่อบวชมาถึงแต่เป็นสามนเณรอายุ 11-12 อปีจนเป็นพระถึงขนาดนี้อายุก็ห1สบเจ็ดปีเข้ามาแล้ว ใช้ชีวิตกับเป็นนักพจนักบวชเป็นพระป่าอย่างนี้ห้กว่าปีไปว่าฝังตัวไว้ในพระพุทธศาสนาวิธีการปฏิบัติวิธีแนวความคิดอย่างไรหลวงพ่อคิดว่าเหนือกว่าพวกท่านในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดกล้าแนะนำศีลธรรมให้แก่ครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ที่มาเรียนเข้ามาอบรมจากหลวงพ่อ ก็เข้ามาเพื่อการศึกษาเรื่องศีลธรรมไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ภาษาอังกฤษภาษาไทยที่พวกครูบาอาจารย์ได้สอนในโรงเรียนไม่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องนั้นมาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาเรื่องศีลธรรมเพราะนั้นวิชาความรู้ในโลกนี่มีมากหลากหลายสรุปแล้วขนาดวิชาหมออย่างเดียวก็ยังแตกต่างกันพวกเราคิดดูสิ หมอตาไม่เก่งหมอหูหมอหูไม่เก่งหมอจมูกหมอหมอจมูกไม่เก่งหมอทางเดินแหมอทางเดินไม่ไม่เก่งหมอผิวหนังหมอผิวหนังไม่เก่งหมอกระดูกแต่ละวิชามันขนาดหมออย่างเดียวก็ยังให้เสมอภาคกันไม่ได้แต่วิชาความรู้ของครูก็เหมือนกันที่พวกเราที่สอนเด็กนักเรียนบางคนก็ยังเหนือกว่ากันไปอีกเพราะอะไรเพราะวิชาความรู้ในโลกนี้ มีมากหลากหลายอันนี้เรายกตัวอย่างเพียงหน่อยเดียวแต่ถ้าหากว่ายกให้กว้างขวางกว่านั้นก็คือวิชาทำอาหารน่ะภาษาในโลกนี้มีกี่ภาษาพวกเราเรียนรู้ไหมพวกเราได้ทําไหมในอาหารน่ะทำอาหารได้กี่อย่างในวิชาอาหารทําอาหารอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารแขกอาหารฝรั่งพวกเรารู้ได้กี่อย่าง สิ่งที่เราไม่รู้เหล่านั้นเราโง่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ยอมรับเราโง่นะแต่บวกบอกที่ว่าเราไม่รู้นั่นเอแต่ตามไม่จริงก็โง่ชัดๆนั่นแหละเพราะเราไม่รู้สิ่งไหนที่เราไม่รู้ก็สิ่งนั้นคือเราโง่เพราะฉนั้นสิ่งวิว ช, ชาในโลกนี่มีมากมายมีมากหลากหลายเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้ได้เข้ามาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาวชีวิตหนึ่งมิติหนึ่งการบวชระหว่าชีวิตหนึ่ง ในการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระเป็นนักบวชการเป็นอยู่เป็นอย่างไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น่แการบินทบาตททำยังไงจากนั้นก่อนมีกฎระเบียบอย่างไรแล้วการทานอาหารท่านยังไงหลวงพ่ อ, อไม่ได้ฉันได้สำรับกับข้าวเหมือนกับพวกเราฉันได้บาตรเอาทําไมล้วนแล้วแต่พวกเราจะต้องได้ศึกษาทั้งนั้นถ้าจะมานั่งอธิบายให้การฟังคงจะไม่ได้ฉันอาหารฝันนี้ เพราวิกฤรและเบียบเรื่าการเป็นอยู่ของพระนะั้นมีมากลากหลายจะต้องศึกษาแต่ละสินแต่ละข้อเนี่ยสองรอ ย, ยี่สิบ็ดข้ออันนี้เ พ, พียงพอประมาณสินสองรอ ย, ยี่สิบเจ็ยดยังมีสินอภิสมัยอาจารย์อีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจะอธิบายให้ฟังทุกทิคขาบทที่ข้อความเป็นมาอย่างไรทำไมจึงบัญญัติสินแต่ละข้อ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องได้ศึกษาทั้งนั้นเพราะฉนั้นวิชาในโลกนี้มีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานะไหนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นชาวบ้านหรือเป็นพระสงฆ์ก็าตามอย่าไปพยองพองตัวว่าข่ารู้ข่าฉลาดข่าฉลาดปาดเปืองกว่าใครทั้งหมดถ้าใครพูดอย่างนั้นแสดงว่าคนนั้นโง่มากเออโง่มาก แสดงว่าอวดอวดสัปดาห์ตัวเองสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มีมากมายทำไมไม่มองตัวเองถ้าพวกเรามองตัวเองแล้วคนที่รู้เท่าไหร่ก็ยิ่งถ่มตนนั่นแหละคนรู้นะจากนั้นก็ผมรู้อย่างนี้อธิบายให้ฟังอย่างนี้อย่างหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อไม่รู้มีมากมายหลวงพ่อก็ต้องยอมรับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รู้มากกว่าเราเนี่ยมีมากแต่หลวงพ่อเนี่ย รู้ในระดับหนึ่งก็จะมาแนะนำเอามาแนะนําสั่งสอนสิทธิอนิสิตหรือว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องอย่างพระสงฆ์ที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็แนะนําวิธีการรักษาศีลอย่างนี้นะวิธีการสมาธิอย่างนี้นะวิธีการเดินปัญญาเยินเดินอย่างนี้นะ เ, เรื่องเดินมักศีนสมาธิปัญญาเนี่ยรวมกันแล้วเดินอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะจึงจะเป็นพระที่ดีได้ ถ้าทำอย่างโน้นอย่างนี้ทําอย่างนั้นไม่ยอมรับนะเพราะวินัยเ อ, อผิดนะผิดวินัยนะ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทางฝ่ายพระ ส, สงฆ์ก็ต้อ ง, ต, องต้องศึกษาเหมือนกันตั้งฝ่ายฆราวาสญาตโยมก็ต้องศึกษาเหมือนกันทีนี้การศึกษาเ อ, อวิชาต่างๆเนี่ยวิชาไหนมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอันนี้พวกเราก็จะต้องมาทบทวน วิชาทางโลกนะ่ะเป็นวิชาเลี้ยงเลี้ยงชีพวิชาอาชีพธรรมาหาเลี้ยงชีพวิชาธรรมมาค้าขายถ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็คือวิชาทางโลกเนี่ยเหมือนกับเราสายไฟสายไฟฉ า, า, ายอย่างนั้นนะฉายไฟฉายฉายไปเท่าไหร่ก็เรายิ่งมองเห็น เ, เห็นต้นไม้ภูเขาสัตว์สิ้นช้างมา้าวัวควายยิ่งเข้าไปในเมืองฉายไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นมนุษย์มาก นานานานาจิตนานาเรื่องนานาราวนาน า, นานาคนมีมากมายอันนั้นคือเราฉายออกไปข้างนอกแต่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้มองเข้ามามาหาใจคือย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือย้อนเข้ามาหาใจใจของเราไปรู้สิ่งต่างๆก่อเรื่องก่อเราเรื่องต่างๆออกไปจากใจทั้งหมดนั่นแหละหลักของพุทธศาสนาให้ย้อนเข้ามาตัวนามธรรม คือตัวผู้รู้เนี่ยว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ mm hmm. นี่แหละให้ย้อนเข้ามาหาหัวเทียนไฟฉายเอ mm hmm. มันไฟมันออกไปจากไหนจึงไปเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นท่านจึงดับดับไฟดับที่เหตุดับที่เหตุคือไฟต้นต่อของเรื่องราวท่านดับจุดนี้แล้ว เรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็หมดจดุจดจบจดุดจบของพุทธศาสนาในจุดนี้ก็ให้พวกเราศึกษาเหมือนกันถ้าอยากจะรู้ว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาที่ท่านเป็นพระอรหันตะ์ที่ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือท่านเป็นพระอรหันต์ที่เลิศประเสริฐที่สุดนั้นท่านดับที่ตรงไหนท่านแก้ที่ตรงไหนท่านประเสริฐที่ตรงไหน พวกเราถ้าเ ร, เรียนรู้แล้วเราจะรู้ได้ว่าหลักของ พ, พษษุทธศาสนานย้อนเข้ามาหาใจย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวใหญ่เป็นตัวการที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาวัดหลวงพ่อในตั้งแต่วงวานนี้จนถึงวันนี้แหละที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเนี่ยที่มา รวมทั้งหมดทั้งนักเรียนทั้งครูครูเป็นส่วนมากนะนักเรียนเป็นส่วนน้อยที่เอามาทั้งหมดต้องหกสิบกว่าห5ส5บห้าหส้าท่าน65ส้านักเรียนคุนครูนี่แหละอันนี้ก็เพื่อเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของพระพุทธศาสนาจะต้องได้รับการอบรมผู้ที่จะเป็นหัวหน้าจะต้องได้รับการอบรม อย่างหลักของพุทธาศาสนาที่หลวงพ่อยกเป็นพระบาลีคือว่ามนโนปุพังธรรมาธรร ม, มามนโมนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจฟังรู้สิว่าใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจพวกเราที่เป็นหัวหน้าหรือว่าสํานักงานที่เป็นหัวหน้าจะต้องดูแลกิจการงานต่างๆจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการเรียนรู้ รือรับการอบรมแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องให้เป็นธรรมเอาศีลธรรมเข้าสู่หัวหน้าถ้าหัวหน้าของเราเจ้าของโรงเรียนของเราผ อ, อาโรงเรียนเลือครูโรงเรียนทุกคนที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าชั้นหัวหน้าสอนถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วนักเรียนก็จะมีคุณรรค่ามีคุณธรรมไปด้วย เพราะเหตุว่าพ่อใจของครูที่เป็นหัวหน้าเป็นธรรมถ้าใจของครูไม่เป็นธรรมอะอะมีแต่กลบแต่หลีกมีแต่แต่เอารักเอาเปียกมีแต่แต่ใครๆออก็มาสอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใครอยักวิชาตัวเองเอาไว้ไม่สอนครูไม่สอนนักเรียนให้ให้เต็มที่อันนี้แปลว่าครูไม่ซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่ถ้าครูครต้องชื้อชื่อสัตว์ต่อหน้าที่แล้วมีอะไรสอนนักเรียนเพราะรัฐบาลเขาจ้างมาเขาให้เงินเดือนมาเงินเดือนที่เราเราได้มาทั้งหมดนะเป็นเงินไขเป็นเงินของพี่น้องภาษีพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าหลวงพ่อก็ได้เสียภาษีเหมือนกันหลวงพ่อไปเติมน้ํามันรถเนี่ยเขาก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลวงพ่อเจ็ดเหมือนกันเขาไม่ให้ฟรีนะภาษี เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในยกตัวอย่างให้เห็นชัดตนเองแต่ส่วนอื่นก็มีต่างเยอะแยะที่เราเราใช้จ่ายเรื่องอะไรเราต้องได้เสียภาษีทั้งหมดภาษีเหล่านั้นเพื่อใครก็เพื่อประเทศชาติปานเมืองก็เพื่อครูโรงเรียนเพื่อทหารตำรวจถนนหนทางทั้งหมดในสรุปแล้วก็คือเราได้กินเงินภาษีพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราจงตั้งอกตั้งใจให้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อประเทศชาติ ตอบพี่น้องประชาชนมีอะไรเราจะต้องตั้งใจในการเรียนในการสอนให้ลูกหลานของเราเป็นคนมีความรู้ความฉลาดให้เทียบเท่ากับอาระยะประเทศเขาเดี๋วนี้ทั้งอาเซียนนั่นและเขาจะรวมกันเข้ามาแล้วพวกเราจะไปด้อยกว่าเขาไม่ได้พวกเราเป็นประเทศที่เป็นเอกอราชมาตั้งนมนานพวกเราจะมาทะเลาะบบอแวงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนยมันไม่น่าจะถูกต้องน่าจะหัน เ่ความรู้ความฉลาดความสามารถเข้ามาหากันแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ขาดตกปกพ่องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักกันเอาไว้บางเสียงบางอย่างถึงจะรู้แต่มันจะทะเลาะกันถึงจะรู้ก็จะไม่พูดจะไม่แสดงออกรู้ก็ให้อยู่ในใจของพวกเราเพราะพูดออกไปแล้วมันจะทะเลาะบาะแวงกันแต่ว่าก่อนที่จะทาอะไรลงไปพวกเราก็ต้องคิดให้ดีซะก่อน จะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนต่อประเทศชาติต่อวงการของเราต่อโรงเรียนของเราแต่มีครูโรงเรียนอยู่ห้าหคน mm hmm. แต่คนคนหนึ่งลรว่าครูบาอาจารย์ทำตัวไม่ดีสะนิดหน่อยก็น่าจะให้อภัยอยู่นนกันไม่ใช่ว่าจะโกรธเกลียดกันจนไม่เผาผีจีกระดูกกันอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันคนเรามันมีผิดมีถูกด้วยกันทั้งนั้นแ่ะเพราะนั้นคณะวน คนโบราณเขายังบอกว่าลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดมันก็ยังกัดกันแต่เพอเพอ้ฟันมันเกิดเกิดที่หลังลิ้นนะไอ้ลิ้นมันเกิดก่อนฟันะเอแต่เพอเพอเน่ยฟันะมันโมโหให้ลิ้นยังไงก็ไม่รู้มันกัดลิ้นนะเอ้ัางทีมันเกิดที่หลังแต่ถึงยังไงก็ตามการอยู่ด้วยกันก็ต้องให้ให้อภัยกันถึงมันลิ้นถึงฟันมันจะกัดลิ้นลิ้นก็ต้องให้อภัยฟันฮะ ไว้แล้วเพราะมันอยู่ด้วยกันนี้ก็เหมือนกันขอให้พี่น้องลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะเหตุที่ทํางานร่วมกันที่เป็นครูบาอาจารย์ให้อภัยกันดีที่สุดเอออย่าไปโกรธโมโหโกรธาให้กันจนเกินไปมีอะไรก็ผู้น้อยก็ต้องฟังผู้ใหญ่ก็ต้องฟังต้องฟังเหตุฟังผลจึงจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ยพระหลวงพ่อพระของหลวงพ่อทั้ง48ดรูปที่จําพรรษา หน้าแรงกว่า30กว่ารูปก็ไม่เคยขาดแต่ที่ยังไงพระสูงที่อยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยหลักพระธรรมวินยัยศาสกยบุตรนี้ก็เหมือนกันะพวกคณะครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันก็คงอยู่ด้วยหลักเหตุผลอยู่ด้วยกดระเบียบอยู่ด้วยกฎหมายที่กระทรวงศึกษาบังคับยังไงเอามาใช้ยังไงเรขอให้พวกเราทุกๆท่าน อยู่ในกฎ ก, กติกานั้นถ้าพวกเราอยู่ในกฎ ก, กติกานั้นแล้วพวกเราถึงจะอยู่มากน้อยเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขทั่วนหน้ากันวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสำโมทธนยกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้ลูกหลานครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน